พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองกันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าอาชีพเดียวกันมันจะอิจฉากันเม่วันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งคณะสัาย า, าติโยม ลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้าหลวงพอ่อได้ร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อสมทบโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีองคหลวงตามหาบัวยนะสัมปันโนวันศุกร์ที่สองกันยายนพุทธศักราช2559ณสำนักงานใหญ่กรุงศรีอโต้ อ, อาคาร C.R.C. ชั้น48 แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดเก้รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ได้เสร็จสิ้นลงแล้วต่อนี้ไปก็จะมีการการถวายผ้าป่าก็เสร็จลงไปแล้วต่อนี้ไปจะเป็นการหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภชนิยกถาปารลบเรื่องงานแล้วก็ความเป็นมาและความเป็นไปของผ้าป่าเราจะใช้อย่างไงทำอย่างไง อันนี้ก็อยากจะปารภให้กับพวกเราคณะท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่คุณไพโรธชื่นครดกรุงศีออโต้เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกับลูกหลานทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละมีมากหลายหลายคนลหลายท่านมือเกนี่ก็ได้ โคศกได้อ่านผู้ที่ถวายผ้าบางสกุลที่เลียงลำดับถึง9ท่านหลวงพ่อฟังดูแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สำคัญในบริษัทของกรุงศีทั้งนั้นเลยที่ทมาถวายผ้าไตรเมื่อกี้เนี่ยผ้าบางสกุลเมื่อกี้นี้นะ แต่หลวงพ่อไม่สามารถที่จะกล่าวชื่อได้เพราะไม่มีชื่ออยู่ในนี้นะห <c oughs> ลวงพ่อกล่าวชื่อได้แต่ว่าคุณไพโรธชื่นครด <c oughs> ที่เป็นประธานใหญ่ <c oughs> ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมเป็นพิธีสักหน่อยตามปกติหลวงพ่อจะกล่าวไปเลยแต่นี้เป็นพิธีกรรมพิธีการเพราะว่า พวกเราได้จัดเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตานะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพธธุทธัสสะวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่คณะสัทธายาจยมกุงสีออโตโมีท่าน มีคุณไพโรธเชิญคตกงศีออโต้วงเล็บประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกับคณะบริษัทและผู้เกี่ยวข้องได้มาร่วมกันจัดภาพป่าสามกีเพื่อสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแต่ตามไม่จริงพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาขณะนี้ก็ยัง ยังไม่ลงเอ่ยกันว่าจะสร้างตรงไหนอย่างไรจะได้สร้างหรือไม่แต่ถึงอย่างไรแต่ทำไมจึงมีวันนี้ก็เพราะว่าหลวงพ่อเอง เ, ออเมื่อ4ี่หปี 3-4 ปีให้หลังทุนทุนกระหม่อมที่ท่านไปเปิดที่ว่าท่านไปวางชิลเลิกที่วัดป่าบ้านตาดที่จะสร้างเจดีคร่อม ตรงที่พระราชทานเพิงสรีระสังขารขององค์หลวงตาท่านขอได้ออกแบบได้เขียนแบบกําลังเริ่มออกแบบจากนั้นก็ท่านก็ได้ไปวางศิลาฤกเป็นปฐมฤกิกจากนั้นลูกพ่อเองในฐานะที่เป็นสงที่เป็นสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาถ่าจะว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ถึงก็ใหญ่แต่ไม่ใช่เล็กก็ไม่ใช่ถ้าว่าเล็กก็ไม่ใช่เล็กเป็น ผู้ใหญ่ก็คือองค์หลวงปู่บุญมีที่เป็นพี่ชายใหญ่แล้วก็หลวงปู่ลีเป็นพี่ชายรองจากนั้นก็หลวงพ่อเป็นท่าจะว่าเป็นแล้วก็เป็นองค์ที่สมที่เคยที่จำพรรษาก็องค์หลวงตาที่หลายปีจนนี่แหละโค้งสุดท้ายองค์หลวงตาก็เนี่ยได้มอบในเป็นพิ่นยกรรมขององค์หลวงตาก็มอบให้หลวงพ่อเนี่ยละองค์หนึ่ง ที่เป็นผู้ดูแลจัดงานศฉลยละสังขารของท่านในบรรดาสีองค์คือหลวงปู่ฟักแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อวันชัยที่ได้จัดงานศรลละสังขารขององค์หลวงตาแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมอีกรวมแล้วเป็น9ก้าท่านที่อยู่ในพินัยกรรมแต่นี้หลวงพ่อ ในฐานะที่เป็นพระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในเมื่อวางศิรเลิกในคราวนั้นหลวงพ่อก็ได้กระชิบประซาบถามผู้ที่ถือบัญชีว่าเดี๋ยวนี้มีเงินเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าเงินประมาณสัก200ร้อล้านแต่หลวงพ่อก็กระชิบประซาบถามผู้ออกแบบอีกว่าจะได้ใช้เงินเท่าไหร่ประมาณ500 ห้าล้านเป็นอย่างน้อยหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ อ, อถ้าหากว่าจะลงมือในเร็ววันเมื่อสร้างเขียนพิพิธเสียนแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะลงมือสร้างเนี่ยเงินเพียง200อล้านเนี่ยใครจะเป็นผู้เป็นคู่สัญญา เ, เพราะว่าตัวอย่างหนึ่งก็คือเมื่อหลวงจ๋าดวงตาสร้างโรงพยาบาล ศูอุอรานโรงพยาบาล10ชั้นเพิ่งเสร็จมาบาดในคราวนั้นก็บริษัทอิตาเลียนไทยได้เป็นผู้เป็นผู้เป็นคู่สัญญาเป็นผู้รับเหมาที่จะสร้างตึกของหลวงตา10ชั้นหลังนั้นพอเสร็จแล้วเขาเขียนแบบแปลนเสร็จแล้วเขาก็นําเอกสารคู่สัญญามาเซ็นหลวงตาก็ให้หลานของท่านหลานหลานเขยของท่าน บอกว่าเอา้าไอ้นายเอกเนี่แหละเป็นคู่เสน้นเป็นคู่สัญญาครับอิตาเลียนไทยตอนีน้อิตาเลียนไทยเขา้ามามาดูเขากะดูซิดูหลักทรัพย์ใช่ไม้มเขาคู่สัญญาเขาก็ต้องดูหลักทรัพย์ซะก่อนเหมือนกับนักมวยเขาจะขึ้นไปบนเวทีเขาก็ต้องช่างน้ําหนักช่างอะไรทุกอย่างแล้วเขาจึงจะเป็นคู่ต่อสู้กันต่อยมวยกันแต่นี้นอิตาเลียนไทยก็ไปถาม ว่าคุณมีหลักทรัพย์ไหมก็จะมียังไงพอบ้านนอกเป็นหลานลงตาใช่ <c oughs> เออมีนาก็ยังจะไม่มีอีกต่างหากเ อ, อเป็นหลานลงตาเพื่อเป็นคนทํางานอยู่ที่วัดนะ <c oughs> เขาก็ไม่กล้าเซ็นสัญญาถอยหลังโกดเลยพอสายถอยหลังโกดทีนี้ก็เ อ, อพระในวัดเขาก็โทรไปหาหลวงพอ่นะอนท่านอาจารย์ครับเขาไม่เขาไม่เซ็นสัญญาเอา้าเซ็นย า, ยากระใครละ่ะเซ็นกระยากระนายนายเอกก่อน หลานหลานเขยของท่านลงตาโอ้ยจะ เ, เซ็นได้ยังไงพวกคนที่คู่สัญญามันต้อง เ, อเป็นคนมีฐ า, านะนะมีหลักทรัพย์นะมันจึงเซ็นสัญญาได้จะไม่ได้เขาไม่เซ็นหรอกถ้าหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นเน่เขาจะไปฟ้องร้องจากใครนั่นน่ไปหาท่านผู้ว่าอำนาจนะกคตท่านหนึ่งนะเรือว่าสิริธรรมที่เป็นลูกศิษย์ของลงตาหรือว่าเนี่ยเท่าแก่กุงสรีไทยให่นะ สามท่านนี่แหละเอ่อเอามาเป็นคู่สัญญาเขาจึงเขาจึงเออจึงจะได้นะเป็นล้อไปขอขอได้สิแต่ว่าผมว่านี่แหะสีไทยใหม่นั่นแหละขุนโยมทั่าแก่กุ้หงนี่แหละอไปหาเขาดูสิเออเป็นค huh ู่ Tal warto. สัญญาเออท่านพระก็เลยไปหาไปหาทั่าแก่กุหงทั่าแก่กุหงก็เลยเป็นคู่สัญญากับอิตาเลียนไทยเขาก็เลยเซ็นเซ็นสัญญาเพราะทั่าแก่กุหงเป็นมีเป็น เจ้าของโรงสีทั้งสองโรงใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่ในเมืองอุดรเป็นที่รู้จักเลาวคเป็นคู่สัญญาเนี่ยเราหลวงพ่อนึกย้อนไปถึงจุดนั้นเหมือนกันถ้าว่าจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยจะงบประมาณ500้ล้า น, นการเซ็นสร้างพระเจดเีย์เรามีเงินเพียงสองสล้า น, เ, นเราจะทำอย่างไรหลวงพ่อในฐานะที่เป็นจะต้องคิดแลแต่เนี่ยเอาเถอะพวกกลุ่มของเราวัดของเรานาคาน้อยของเรา เราควรจะแสดงออกซึ่งน้ำใจเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเราควรจะรับสัก50ล้านบาทต่นั้นหลวงพ่อพอเสร็จแล้วเนี่ยพอทุนกระหม่อมฟ้าหญิงท่านวางเิลเลิร์เสร็จแล้วจากนั้นก็จะให้พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรหลวงพ่อเองก็ได้กล่าวคำนี่แหละบอกว่างานของหลวงตาที่ทุนกระหม่อมฟ้าที่วางเชลเลิร์ในวันนี้ ในฐานะที่อาตมาเป็นฝ่ายสง์ท่านหนึ่งที่เป็นสิทธิ์ญาณิสิทธิ์ขององค์หลวงตาในกลุ่มของหลวงพ่อเองหลวงพ่อจะขอรับ เ, เมื่อสร้างเจดีย์ พ, พิ พ, พิธภัณฑ์ตามแนวแถวของทูลกระมมฟ้าหญิงออกแบบเนี่ยมหาวิทยาลายัยศิลปักรอออกแบบเนี่ยหลวงพ่อจะร่วมสมทบสร้าง50ล้านบาทในกลุ่มของหลวงพ่อแต่ไม่ใช่ว่าจะให้เป็นก้อนนะ เมื่งวดที่หนึ่งจะใช้ไปเท่าไรหลวงพ่อก็จะสมครบเข้าไปงวดที่2เท่าไรงวดที่3เท่าไรแต่จะให้ได้50ล้านบาทอันนี้หลวงพ่อก็ได้ประกาศถ้าว่าผู้ใดได้ MP3 แผ่นแผ่นที่51าส5บเ็งในช่วงนี้แหละจะได้ยินเสียงที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้แหละใน MP3 เพราะนั้นเมื่อหลวงพ่อพูดไปแล้วหลวงพ่อก็พยายามเก็บหอมลอมริบเหมือนกันในจุดตุกตุกใจถึงจะได้สร้างหรือไม่ได้สร้างยังไงแต่คิดว่าจะได้สร้างเร็วเพราะว่าเมื่อวางทีระเลิกเสร็จแล้วตามปกติก็จะมีการก่อสร้างแต่นี้พอต่อมาพอแปรแบบแปลนเสร็จแปลนหนึ่งเสร็จไปแล้วนะก็มีครูบาอาจารย์ลึก คณะสงฆ์ท่านคณะสัตยาธิโยมบอกว่าไม่อยากจะให้ไปสร้างครอบตรงที่พระประธานเพิงศรีระสังขารโอ่งหลวงตาควรจะเก็บไว้เป็นที่เคารพศักดิ์ศรีไม่ควรจะให้ไปแตะขอไปทําที่เอิญจากนั้นก็ท่านก็ท่านผู้ออกแบบท่านก็อยากจะถอยอีกเหมือนกันแต่ทีนี้ไปขอท่านอีกนะขอให้ท่านออกแบบอีก ท่านคนแรออกแบบเป็นรอบที่สองเรารอบที่สองก็ทําให้ช้าแล้วแต่เนี่ยก่อนที่จะออกแบบเสร็จได้ทั้งเจดีทั้งศาลาลายทั้งพิพิธภัณฑ์ในเมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาสร้างอีกที่อื่นอีกก็มีการคัดค้านกันอีกแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีการคัดค้านที่ว่าการไม่ไม่เห็นด้วยกันอยู่ในการสร้างแต่จะตุปัจจัย เก็บต่างกลัมต่างวระตั้งแต่วางเชื้อเลิกมาจนถึงณนะวันนีนะ้เงินก้อนนี้ทงพ่อทราบมาก็ได้ประมาณไม่ใช่ประมาณแล้วได้500กว่าล้านนะ500ร้ล้านต้ น, ตนแต่เมื่อวันที่12นี่ได้490กว่าในเมื่องานของลงตาผ่านไปแล้วก็ได้500 500ล้านก็ไม่น่าจะถึง10อนะประมาณ500้ล้าน ห้าห้ารสามสี่ห้าล้านนี่แหละประมาณนี่แหละ เ, เดี๋ยวนี้แต่พอไหมถ้าหากว่าทำตามแบบแปรนด์ของทุนกหม่องฟ้าหญิงที่มหาวิทยาลัยออกแบบเนี่ยนะที่พระ อ, องค์เจ้าสิริพาจุธาพรเป็นประธานในการออกแบบนะแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรนะ อ, าออกแบบในกลุ่มของท่านนะาท่านกล่าวไว้ประมาณพันล้านนะ ทั้งสามรายการทั้งเจดีทั้งสาราลายทั้งพิพิธภัณฑ์ถ้าหากว่าได้สร้างตามแบบแปลนนี้นะแต่แตอนนี้ก็ยังมีการพูดกันอยู่ยังไม่ตกลงกัน เ, เพราะนั้นในเรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะได้สร้างหรือไม่ได้สร้างยังไงถ้าหากว่าคณะสัาาตยาธิโจมลูกหลานพ อ, อ, อก่อนหน้านี้ก็คุณภัออรอ ท่านก็ได้ยินทราบข่าวว่าหลวงพ่อเนี่เป็นผู้หนึ่งที่รับภาระในจุดนี้ท่านก็อยากจะมาร่วมสมทบคล้ายๆกับกแบ่งเบาภาระของหลวงพ่อเหมือนกันเพราะนั้นถึงยังไงก็จะตุปปัจจัยจำนวนที่พวกลูกหลานทำไปหลวงพ่อก็จะเอาเข้าบัญชีเป็นบัญชีเจดีหลวงพ่อจะไม่ให้ข้อไปบัญชีอื่นนะเขาไม่ได้ออกไปใช้ไปบัญชีของ J ดีแต่ถึงยังไง ถ้าหากว่าได้สร้างเจดีตามที่ได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อก็จะสมทบเข้าไปอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ทราบแต่ถ้ า, าว่าไม่ได้สร้างนะออาจจะสร้างที่ไหน อ, อบางทีอาจจะไปสร้างที่วัดหลวงพ่อก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าไม่ได้สร้างตามแบบแปลนใช่ไหมแต่ถึงยังไงอันนี้หลวงพ่อจะเน้นหนักเป็นทั้งสร้าง JD. เจดีอถึงจะไปสร้างถึงจะไม่ได้สร้างที่นี่ ถือไปสร้างที่อื่นใครอื่นสร้างแต่สร้างเพื่อเจดีลงตาหลงพ่อไปสมทบที่นั่นคิดว่าเงินก้อนนี้คือเงินเจดีลงพ่อจะไม่นําเอามาใช้เป็นเงินของวัดและไม่เป็นเงินเอาไปใช้อย่างอื่นจะไม่เอานําไปใช้เป็นโรงพยาบาลไปใช้เป็นเครื่องมือแพทย์คือเงินพระเจดีต้องเงินเป็นเงินพระเจดีลงพ่อถือคําสัตย์อย่างนั้นนะคือไม่ให้เก้าวไกลากันคือการเงินมันตรงไหนมันต้องตรงนั้นนะ เพราะนั้นขอให้คณะทศไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนที่ถวายสร้างพระเจดีเอวหลวงพ่อจะสร้างยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ตกลงกันแล้วเงินก้อนนี้จะไปทางไหนเนี่ยหลวงพ่อขอเรียนให้พวกเราคณะทศไทยญาติโยมทุกท่านนะได้รับรู้รับทราบว่าเงินเจดีก็คือเงินเจดีเราจะไม่เอาไปใช้ให้เป็นมันเงินผิดประเภท เ, เงินนี่เงินเป็นเงินที่สูงส่ง เป็นเงินบูชาเพื่อสร้างพระปรรมบรรจุพระปรรมสารีริกธาตุเพื่อสร้างบรรจุพระธาตุขององค์หลวงตามหาบัวที่เราเทิดทูลบูชาสุดหัวใจเพราะเรามั่นใจว่าท่านคือคือพระหันที่ได้สําเร็จมักสําเร็จผลกระดูกของท่านอติธาตุของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นตำตาตำใจของพวกสิทธญาณุสิทธ์ทั้งหลายเพราะนั้น วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสำหรับพวกเราทุกๆท่านแล้วก็พวกเราเกิดในปริปติระเทสวาโซจ่าเ่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าปฏิรูประเทสวาโซจะปุกเพจักตะปุญญตาปฏิรูปประเทศคือประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงคุณธรรม แล้วก็เป็นประเทศที่ธรรมชาติไม่ค่าไม่ลังแกงแก่เปลียป่ยนเปลี่ยนเราจนเกินไปอย่างเหมือนต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินเราเคยได้ยินไหเกิดหลวงพ่อเกิดมาเนี่เป็นเเป็นปีที่72งแล้วนะัดหลวงพ่ออายุ72ปีแล้วแผ่นดินไหวยังไม่เคยมีแล้วก็น้ำท่วมเคยมีแต่ปี54น้ำท่วมกรุงเทพทำไมจึงท่วมคราวนั้น ถ้าห้ามมันไหลไปตามธรรมชาติมันก็คงจะไม่ท่วมพวกเราเนี่ยแหละทำให้น้ําท่วมเองอถ้าพวกเราศึกษาในประวัติ ถ, อ ย, ถอยหลังดูนะนี่แหละอันนี้คือธรรมชาติก็ไม่ได้ฆ่าพวกเรา อ, อาหารก็ไม่ถึงกับแห้งแล้งหลงพ่อเกิดมา70กว่าปีแล้วไม่เคยอดอยากเรื่องข้าวน้ําอาหารมีอุรมณสมบูรณ์นี่แหละเป็นประเทศที่ปฏิรูประเทศวาโซ่จ่า เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ประเทศหนึ่งในโลกเนี่ยจะพูดอย่างนั้นได้มีแต่พระศาสนาก็มออีอาหารการบริโภคก็มเีเป็นไปได้ไม่แพ้ต่างประเทศเขาประเทศไหนประเทศไหนที่เขามีความร่มเย็นเป็นสุขประเทศไทยของเราในธรรมชาติไม่ได้เบียดเบียน แต่มแต่อย่างเดียวเท่านั้นคนในชาติของเรามันแปลกมันอุดมสมบูรณ์เกินไปมีความสุขเกินไปไม่มีความคิดอย่างอื่นไม่พอจากนั้นก็มามนมีแต่ความอิจฉากันนี่ยนะมากในเมืองไทยของเราเดียวเนี่ย <c oughs> ที่หลวงพ่อเกิดมาหลวงพ่อพอสังเกตได้นะความอิจฉากันเนี่ยมีมีมากพอสมควรเพราะนนทหาาว่ารถตัว น, นี้ลงไปนะมองกันในแง่เหตุพราะแง่ผล ในการสร้างสรรพัฒนาประเทศชาติหลวงพ่อว่าประเทศชาติของเราคงจะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้นะผู้ใดจะเป็นผู้ใหญ่ก็ให้ยกเป็นผู้ใหญ่ซะเป็นผู้ใหญ่ก็ให้เป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงให้มองดูลูกน้องบริวารให้มีคุณภาพคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจให้เป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ อ, อันนี้นะ่ประเทศไทยของเรางคงจะเป็นไปได้ จเจริญรุ่งเรืองทางว่าพวกเราไม่มีการทะเลาะบอกแว้งกันเนี่ยนี่เรีว่าปฏิรูปรเทสวาโซจ่าปุเพจักตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้สร้างบุญกุศลไว้ในอดีตชาติจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยพลลักของพุทธศาสนาไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวนะลูกหลานนะักรรญาติโยมนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปนั่งภาวนาได้ตัดรู้อนุตภะอนุตระสัมมาสาัมโพธิญาณ ในวันเดือนหกเพนนะตอนหัวคำ่ำท่านว่าปุบเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติทวนหลังไดนะ้ที่ท่านได้สำเร็จพระพุทธเจ้าญาณรัตนะขั้นแรกคล้ายๆกับว่าระลึกชาติทวนหลังก็คือเราไม่ใช่เกิดมาวันนี้วันเดียวถ้าพระทิโพขขึ้นมาเราเกิดวันนี้เราคงจะระลึกถึงเมื่อวานนี่ไ่ได้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านบ่าวันเมื่อวานก็มี อาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนไล่เรียงไปจนถึงชาติก่อนมีเพราะในชาติที่แล้วก็มีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงระลึกชาติทวนหลังได้ว่าปุปเพนิวาสานุจจิตชุดนุจติยานรละลึกชาติทวนหลังได้จนมาถึงชาติปัจจุบัน เ, เพราะฉนั้นจะว่าปุปเพนิวาปุปเพจากกะตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตเราทําบุญไว้เราสร้างฐานะไว้แต่เมื่อวานนี้ เออเรามีเงินเราสร้างฐานะไวแต่เมื่อวานนี้วันนี้เราจึงมีเราจึงมีความสุขนะถ้าว่าพวกเราไม่ได้สร้างฐ า, านะไว้เมื่อวานนี้มาวันนี้เรามาหาใหม่เราคงจะหาความสุขไม่ได้นี่แหละจ้ะปุเพปุเพจกกักระตาพุทธตาพวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในจิตใจเออถ้าว่ามีพบมีชาติเกิดมาพบหน้าชาติหน้าขอขอให้ข้าไปเจ้าไปเกิดได้ที่อุดมสมบูรณ์ อย่าได้มีพิษภัยอย่าได้มีการ เ, เวรภัยสู้ศึกสงครามอย่าได้มีแผ่นดินไหวอย่าได้มีน้ําท่วมลักษณะอย่างนั้นแหละอขอให้มีความสุขความเจริญเนะผู้ข้าไปเกิดพบใดชาติอย่าได้มีภัยวิบัติพวกเราจะได้มาเกิดนสถ า, านที่แห่งนี้เพราะเป็นบุพกรรมอันในอดีตชาติเราตั้งความปรารถนาเอาไว้เมื่อเราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลปุพเพจักตาปุญจตา แต่เมื่อเรามาเกิดในเมืองไทยอย่างนี้แล้วอัตตาซ้ำหมาปนิธิเราตั้งตนไว้ไม่ชอบพอเกิดมาแล้วก็ลุ่มหลงมั ว, มวเมาสิ่งที่มันเสียเสียหาย อ, อย่างที่ไม่มีสินห้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะคิดฆ่าใครคิดขโมยใค ร, รพูดผิดละลาบลา ล, ล, ล, ลวงในสามีของใครโกรหกต้มตุลนเรากินเหล้าเมายาอันนั้นคือเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วหลง เราไม่มีศีลในเมื่อเราไม่มีศีลเราหลงตัวเราลืมตนเราเกิดในประเทศที่ดีแล้วออกจากชาตินี้ไปอาจจะไปเกิดแถวแถวแถวออฟริกาแถวหัวโตโตท้องใหญ่ๆขารีบๆตัวดำๆเราอาจจะไปเกิดที่นั่นก็ได้เพราะอหไรพราเรามันหมดบุญเลย เพรา ะ, ะนั้นขอให้เมื่อเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอย่างนี้แล้วอย่าตั้งู่ในความประมาทคือจุดหมายที่มุม่งมาที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสิตนะปฏิรูประเทสว่าโซจ่จะประเทศที่สมบูรณ์แล้วปุเพจกะตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตอัตสัมมาปนิธิเมื่อเท่าเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินในขณะนี้แล้วเราพวกเราควรจะตั้งตนไว้ชอบ สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเราได้ศึกษาดูแลสิ่งที่มันไม่ดีนอย่าคิดแล้วก็อย่าทำแล้วก็อย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีในเมื่อเราคิดทำพูดในสิ่งที่ดีความดีนั่นแหละจะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะประกอบจากคุณงามความดีแล้วหลวงพ่อตั้งพุทธภาษิตธว่า ขยาวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดท่าติอันนี้เป็นทำเป็นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพานก่อนที่พระองค์จะตายพูดยังไงคืนวันชุดท้ายวันเดือนเดือนพฤษ เ, เดือนหกนะั่นแหละวันวิสาขาบูชานะวันเดือนหกเพนนะเก่อนที่พระองค์จะหมดกลมที่ท่านจะปรินิพาน ท่านได้สั่งเสียพุทธบริษัทว่าขยะวยธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้พวกท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นพระ อ, องค์ก็ปิดพระโอษฐ์ปิดปากไม่พูดเลยกับปรินิพานอันนี้นคือเป็นคําสั่งเสียของพระพุทธเจ้าเป็นคําสุดท้าย ถือเป็นว่าเป็นอมตะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตายแต่ว่าขยัวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายคือร่างกายคนเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดมันไม่เที่ยงมันเป็นไม่จิรังทาวรไม่ใช่ว่าตายไม่เป็นอยู่โช่ฟ้าดินสลายไม่ใช่นะพวกเธอเราเราท่านทั้งหลายเกิดแก่แล้วก็เจ็บตายขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ตนคล้ายๆกับว่าธรรมมาหาเลี่ยงเฉีพในทางสุดเจริต มีสินห้าแล้วก็รู้จักการแบ่งปันรู้จักพระคุณของพ่อของแม่เรื่องละแล้วก็การรู้จักการทําบุญอย่างที่พวกเราได้ร่วมรว บ, บรวมกันเพื่อสร้างเกียรติพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยบูชาพระคุณพ่อหลวงตาเป็นผู้มีคุณูปา ก, การต่อพวกเราท่านหาทองคําเข้าคลังหลวงทําให้เงินบาทของเรามีคุณค่า มีประโยชน์เงินของเราได้แข็งมีคุณค่า เ, เพราะอเพราะหลงตาหาทองคาเข้าคลังหลวงตั้ง13ตันกว่าและก็เงินดอลลาร์10ล้านกว่าดอลลาร์เพราะนั้นพวกเราเห็นเป็นถือว่าหลงตาเป็นผู้มีพระคุณพวกเราจรึงได้รวบรวมจติตวปัจเพื่อแสดงออกเพราะตกลงตาเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะ พวกเราควรจะแสดงความกระตันยูกระตะเวที่ตาต่อองหลวงตาอย่างไรเมื่อลงตาจุตินิรภาภัยไปแล้วพวกเราในฐานะลูกหลานก็แสดงออกซึ่งน้ําใจแล้ลวก็รวบรวมจิตตุปัจจัยเพื่อสร้างเจดีย์พิพิจภัณฑ์ขององค์หลวงตา เ, เพื่อให้เป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยพวกเราคิดอย่างนั้นเพื่อบูชาพระคุณลงตาถ้าว่าทุกคน มีเจตนาว่าทําอะไรเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาจะไม่มีเรื่องอะไรนะเรื่องราวทั้งหลายก็จะเงียบสงบไปได้เท่าว่าพวกเราไม่ได้คิดถึงจุดนั้นบุคคลผู้มีผู้รู้จักบุญคุณผู้รู้จักบุญคุณแสดงออกคนที่มีกตัญความกาตัญญูกติเวทีตาในหลักธรรมเทา่านั้นแหะบุคคลนะั้นเป็นคนดเีเป็นคนดีของของ ของหลักในหลักของพุทธศาสนาผู้มีน้ำใจแสดงออกซึ่งความรกระตัญยูกระตเวที่ต า, ารู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณนี่แหละอันนี้ก็พวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายแสดงออกซึ่งน้ำใจแสดงออกซึ่งความกระตัญยูต่อองคหลวงตาเพื่อจะสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ถวายเพื่อให้เป็นที่กราบกราบไหว้เคารพสักการะบูชาของคู่คนทั้งหลาย อันนี้แหะคือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะาการอยู่ด้วยกันถึงมาพูดการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะให้มีน้ําใจต่อกันอย่าคิดเบียดเบียนกันให้มีการเสียสละต่อกันให้มีการยืดหยุ่นต่อกันถ้าว่าพวกเร า, เามไม่มีการไม่มีน้ําใจไม่มีการยืดหยุ่นต่อกันมัน มันทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนนะแล้วก็พร้อมกันก็ทำให้ตัวเองนั่นล่ละเป็นพิษภัยต่อไปภายภภาคหน้าหลวงพ่อเคยยกเคยพูดคือว่าหมาต่อหมามันเห็นกันมันก็อิดฉากันอัวเห็นกันกับหญิงเขี้ยวเห็นกันพวกเราเห็นไหมถ้ามันเห็นวัวเห็นควายเห็นสัตว์อื่นมันก็ไม่เท่าไหร่มันก็ไม่ทำอะไร ถ้าควายเห็นควายควายก็ต้องอะไรอล้ายเข้าตะแคงเขาสักการเลยงั้นถ้าวัวเห็นวัวเออมันก็ต้องขดดินสักการเลยร้องสักการคำรามสั ก, กันขู่กันฮะนั่นแหละอันนี้ก็คนคนก็เหมือนกันถ้าคนคนอาชีพต่างกันก็ไม่เป็นไรถ้าคนอาชีพเดียวกันเนี่ยจะอิจฉากันนะทีนี้ ร้านทองเนี่ยเห็นเห็นร้านทองต่อร้านทองใกล้ใกล้กันเน่ะจะอิจฉากันอ่แล้วกัคนที่ขายเสื้อผ้าอยู่ใกล้กันก็นอิจฉากันเอพวกธนาคารก็เหมือนกันคงจะอิจฉากันอีกเหมือนกันพระต่อพระก็อิจฉากันอีกมันเป็นธรรมชาติลูกหลานคิดดูให้ดีที่หลวงพ่อพูดให้ฟังมันจริงไหมหลวงพ่อเนี่ยนั่นแหละนักสังเกตนะ นักสังเกตเออเอะมันทำไมคนอาชีพเดียวกันมันทำไมทะเลาะกันวะเนะมันน่าจะยืดอยุ่นกันแต่นี่มาเปรียบเทียบให้ฟังอีกนะลูกหลานเอ่อที่พระพุทธเจ้าข้าพเทวทัตเนี่ยทำไมจึงอิทธทำไมจึงพยาบาทอาฆาตจองเวรจึงเป็นคู่อริคู่ศัตรูกันจนถึงโค้งสุดท้ายเพราะอะไรสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ท่านบอกว่า ที่เราเป็นต้นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกับพระเทว ท, ทัตนะเป็นเราเป็นพ่อค้าขายทองทันวันนะเป็นพ่อค้าขายทองเป็นเพื่อนกันนะเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเ ป, เ, เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันแต่มีอาชีพเดียวกันคือไปขายทองเนี่ยขายสายสร้อยสายสร้อยทองเหลืองเนี่ยสายทองสา ย, ยทงสา ย, ยากกสายสร้อยตะกัวสายสร้อยเนี่แหละที ا, ่สายขายขายของราคา ให้ชาวบ้านให้ขายให้เด็กเลเนะทเดีก็ได้สายส้อยพวกนี่แหละ ส, สายแวนสายอะไรขายเครื่องประดับนะแน่ยทดี้ก็อยู่ทางฝั่งพระนครจะไปขายฝั่งทนใช่ไหมเทีสมมติว่าสมมติว่านะมีแม่น้าขั้นกลางอ่ะแต่คงจะไม่กว้างถึงอะไรแล้วมั้งแต่ก็นั่งเรือไปพอนั่งเรือข้ามไปแล้วก็ เ, เทวทัตก็ไปทาง ทางเหนือเออสิทธิพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นสหายเหนือไปทางล่างข้างล่างวัไดไปแต่ในหมู่บ้านเดียวกันนะทีนีท้ทางเทวทัศน์ไปทางเหนือเนี่ยเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปไปเจอบ้านเศรษฐีเก่าเศรษฐีเก่าคือแบบเออมีแต่นั่นแหละไม่มีรูปร่างเศรษฐีหรอกเออแต่เดินเข้าไปมียายแก่คนหนึ่งบอกเออเรียก ไอ่พ่อค้าเนี่ยไอ่พ่อค้านายห้อยเนี่ยที่ขายขายขายเครื่องประดับทองสายสร้อยสายแหวนเนี่ยไอ้แต่นี้ก็เอาสายสร้อยเนอเอาสายแหวนเนอ ล, ลักษณะอย่างนั้นเนอะเมื่อเขามาขายของในตลาดแต่เด็กเด็กๆทางไหนก็ลุ้มมาเด็กยายก็ลุ้มไปไปกับเขาก็เอาของออกมาให้ดูพอมาให้ดูยายนี่ก็เห็น เห็นกัอยากจะได้ยกลูกหลานเป็นเป็น <t ot training enables> ิไลูกหลานของยายก็เลยบอกกันในพอ้าเนี่ยพอ้าทองเนี่ยในห้อยทองเนี่ยดิฉันมียุบมีถาอยู่ใบหนึ่งแต่ว่าจะมาเปลี่ยนแลกทองเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยเอามาดูเซอพ่อ้าพอ้าคนหนึ่งเอามาดูเซยายได้ออกไปพอไปก็ยก แต่มันเข้ายางปีหมดแล้วนะเพราะไม่มีไม่มีใครขาดมันใช่ไหมล่ะเอมมันยางปีมันเข้าดําเอเอมันสีดําไปหมดแล้วเหมือนกันนะมันเป็นเขาเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่พ่อค้าเนี่ ย, ยกทองคําเนี่ยนะมันหนักแท้มันยกมานะมลแล้วมันรู้แหละทองคําแต่ได้ก็เอาเข็มออกมาจากจากยามเสริจก็มากรีดดูพ่อมากีดดูก็ตุย้ยโอ้ทองคํำแน่ เป็นถาดนี่เป็นทองคำเนอเนอนได้ใจล่ะจากนั้นก็เลยบอกว่ายายจะจะเปลี่ยนจะเอาเท่าไหร่นะโอ้ไอ้อเท่าไอพอค้าจะให้เท่าไหร่ล่ะเอเอยได้เปลี่ยนได้แต่เพียงสองสามเส้นทนเองล่ะโอ้ไม่ได้แล้วลูกหลานของข้าเป็นสิบเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยถ้าได้สองสามเส้นมันก็ทะเลาะกันเลยวสิมันไม่ได้หรอก ถ้าว่ามาให้ก็ต้องให้ครบทั้งหมดถ้าให้ครบทั้งหมดก็ไม่ว่าแล้วเอาไปเลยทองแต่ถาดไปนี่นะถ้าหว่าไม่ได้ทั้งหมดก็เปลี่ยนไม่ได้แลกไม่ได้แล้วเดี๋ยวเด็กจะทะเลาะกันเอมันไม่ครบกันโอ้ยของยายเนี่ยมันไม่มันไม่ไม่มีคุณค่าอะไรหรอกอถ้าเนี้ยก็อ๋อไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนเอาไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนนะเลยไม่เปลี่ยนเอพอค้าเลยก็เอาทองเข้าในกระเป๋าตัวเองแลยกัยังคิดปุมหมักมุมหมก ถ้าหาว่าเราจะเปลี่ยนเร็วเกินไปมันก็เสียฟอร์มใช่ไหมเสียความพอค้าใช่ไหมล่ะเราจะเดินไปสักหน่อยแล้วจึงจะกลับมา <S <S เดินไปสักหน่อยแล้วก็จะกลับมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนใหม่เอาให้ครบก็ได้เกินกว่านั้นก็ได้ถ้าไดต้ตัวเองก็เดินไปเดินเดินเดินไปไ อ, พอ้พ่อค้าอยุกพอค้าพุทธเจ้าเนี่ยที่เดินไปจากข้างล่างเนี่ยทางสายน้ำทางใต้เนี่ยชวนเข้ามาเร็วเกินไปจนพ่อค้านี่ตั้งตัวไม่ทันตั้งต้นไม่ทัน คิดว่าพ่อค้าน่าจะไม่มาเร็วถึงขนาดนี้เลยทั้งที่พ่อค้าน่าจะรวมๆขึ้นมากันมายายก็บอกว่าเอาทองเนอะเอาสายสร้อยสายแหวนเนอะอย่างก่นะอนยายก็บอกเอ้ยออกมาเนี้ยสิออกม า, ก พ, าพ่อค้าเนี่ยพุทธเจ้าเป็นคนตรง อ, อิยายว่าเนี่ยนะยายมีถอดถาดทองไปหนึ่งจะให้จะเปลี่ยนสายสร้อยเปลี่ยนไหมสายสายแหวนสายสร้อย เครื่องประดับเปลี่ยนได้ไหมได้อะมาดูเขาก็เลยมาดูพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าพู้ใจเจ้านี่ยกทองนักกึกเลยโอ้ทองเนี่ยเออจะได้ก็เห็นรอยขีดรอยขีดอีกโอ้อันนี้พ่อค้าพ่อค้าทองมาเมื่อกี้นี้เหมือนเขาบอกว่าเขาว่าทองของยายไม่มีราคาเออเจ็อแล้วเขาก็ไปแล้วแหละพอนายจ่ายเนี่ยจะเอาทองให้ลูกหลานมันก็ไม่ครบ เพราะนั้นถ้าหากว่าจะให้จะให้ครบเลยเนะี่ยยายก็ไม่ว่าเอาเลยให้เด็ก ใ, ให้ครบลูกหลานให้ลูกหลา น, ลลานเลือกเอาทางพอา่อค้าพ่าพอพ่อใ่เจ้าพ่อค้าที่ชื่อตรงเนี่ยโอ้ยายถาดใบนี้รนาะคามันแพงนะของของผมเนี่ยยังทั้งกระเป๋าเนี่ยก็ยังสู้ทองใบนี้ไปสู้ทองทองถาดนี้ไม่ได้เอาเถอะถ้าจะยายจะเปลี่ยนผมจะให้ทั้งหมดเลย ทั้งกระเป๋าผมโอ้ยได้พ่อค้านี่โปดทองกับเทสพวดเลยเทให้เลยเทให้ยายเลยจากนั้นพ่อค้าเนี่ก็เอาทองถาดไปนั้นก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าไปนั้นแ่ก็นางไงไพ่จะข้ามข้ามฟากให้เร็วงันเถอะเออจนีน่ไอ้นั้นมันต้องมามันโกงมันมันว้ย ไ, ไว้เลี่ยมเฉยเฉยไว้ ไวชั้นเฉิงเฉยๆแต่เนยมันต้องกลับมาเนี่ยเอพราะมันพ่อค้าตัวพ่อค้ามันรู้ชั้นเชิงกันอยู่ใช่ไหมเพราะมันเนี่ยมันต้องขี้โกงในว่าไนงะแต่ในพ่อค้านี่นกัพ่อได้แล้วก็ใส่ได้ถอนแล้วก็อาก้าวเร็วเนี้ยไปหาฝั่งแม่น้ําเลยพอไปหาฝั่งแม่น้ําก็เห็นเรือเขาพายมาเอาเรือแล้วเรือเขาก็มาแล้วก็ไปเจ้าเร้วไอ้พ่อค้านี่ก็ไปสักหน่อยหนึ่งเลยพอกลับมาเลย ยายก็ บ, บอกว่าโอ้ยพ่อค้ามาเอาแล้วเอาอไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาเ ท, ทเอ ท, ทองให้ทั้งหมดเลยเนี่ยเทนี่เนี่ย เ, เขาให้ทั้งหมดแล้วเขาว่ามันมีคุณค่าก็ เ, าเลยไปโอ้โหทําไมเพื่อนมันหักหลังค่าอย่างนี้วะโมโหปิ้วขึ้นมาเลยก็แปลว่ามันขึ้นขีดแดงแล้วกันเถอะความโกรธเหมือนันเถอะว่าเพื่อนหักหลังฮชจากนั้นวิ่งอ้าวเลยสิพอวิ่งอ้าวไป ไอ้เพื่อนนี่ก็ถึงฝั่งนน้นแหละแต่เนี่ยเกือบจะถึงฝั่งนู้นแล้วนั่งเรือไปนะไอ้พอไปถึงไอ้นี่ก็ไปถึงฝั่งนี้กับตะโกนอะไรอย่างเ้ย น, นะอ๋อไอ้เพื่อนมันทรยศแต่เนยมึงทําไมไปเอาทองของถาดเอา้าแต่แกไม่เอ า, เนะาเนี่นะวันแต่ทุนวัะตอบรับมาไปเอาได้ยังไงข้าจะไปเพียงลบเดียวเขาจะเอาเอาทําไมจึงไปทําอย่างนี้กับกับผมไรทํำยังไง ผมโม่ให้เขาแล้วคุณไม่มีว่าไม่มีราคาก็เลยถกเถียงกันพอไม่ถกเถียงกันทางนี้ก็บทนั่นแหละทางพ่อค้าเนี่ยก็โมโหอย่างมากก็เลยคว้ากำสายเลยควัากกัดกํำสายมาสองกำเหมอเอาะนะเอะอะออตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่าจะจองกําจองเวนตะแกเนี่ยทุกพบทุกชาติเท่าเม็ดหินเม็ดทรายนะเออจะจองเวนเามือนกันเะ ฮแต่ในไอ้เ <substit> พ <uting> ื <üst Pop keys> ่อนถนนเอ้ยเพื่อนถ้าสองกรรมมันจะมากเกินไปนะเอากรรมเดียวก็พอมั่งเพื่อนก็เลยวางกรรมหร่งว่างเงินเลยอัยังยังฟังกันอยู่นะเอพอได้ได้จ่ายกรรมหรืงขึ้นมาก็แทะเขาหน้าอกเนี่ยเพราะมันมีความโกรธในใจเลือดพุ่งออกมาเลยก็คงจะเส้นเลือดแตกในสมองว่างทุกวันนี้เนาะ S <S เออเช่มเขาว่าเลือดพุ่งออกจากปากเลยเป็นเลือดสดออกไปก็เลยตายในหาดทราย อ, อ่แปลว่าจองเป็นกันตั้งแต่ชาตินั้นแต่นนั้นต่อมาในเทวทัศกับพวกเทเจ้าเกิดมาพบได้ชาติได้แปลว่าข่าได้มาเจอใกล้กันแล้วกัเหมือนกับกงล้อกำเก ร, รเนเลยเธอมากระชนปังเอากันเลยเราเงินเถอะแปลว่าไม่หลีกกันเลยแล้วงั้นเถอะแต่พวกเทเจ้ามีแต่ให้อาภาัยหนีลูกเดียว ไม่จองเวรไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบกรรมตอบเวรพระธิดจ้องเนียหนีถ้าเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินกันเนะี่ยแต่หลวงพ่อสงสารถึงบริวารของพระเจ้าแผ่นดินนะตัวเองสองคนทะเลาะกันใช่ไหมก็ต้องมีก็ต้องมีบริวารทหารก็ยกทหารไปถล่มกันทหารมันตายไปเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะแต่ตัวเองสองคนนีน่วางเท่กันต่างคนก็ต่างถอยกัน วางที่ก่ข้างใดข้างหนึ่งตายโดยมากกันนั่นแหละข้างใดข้างหนึ่งนี่แหละความอิจฉากันแต่ว่าเกิดมาพบใดชาติใดถ้าเราดูในชาดกที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเจอกับเทวทัตแล้วก็พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้เสียเปียกมากกว่าถูกเทวทัตฆ่ามากต่อมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าฆ่าเทวทัตมีไหมมีอยู่เหมือนกันนะแต่น้อยแต่ฆ่าน้อยแบบบังเอิญ น, นี่แหละ อันนี้คื อ, อความอิจฉาเพราะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสไว้ว่า อ, อย่าอย่าได้ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดใช่ชาตินี้เราเป็นผู้ชนะแต่ชาติหน้าเขาก็เป็นผู้ชนะเราเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะนนชนะไม่มีที่สิ้นสุด เพราะนั้นเรามาได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้อภัยกันดีที่สุดอย่าไปเบียดเปลี่ยนกันอย่าไปทำติดที่ตัวเองว่าฉะใจแต่อีกคราวหน้าเนี่ยเฮอความฉะใจของตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้แพ้เขาจะต้องเป็นผู้ชนะชาติต่อไปอีกตัวเองชนะเออคือเขาเป็นผู้แพ้นะต่างกันเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะไม่มีที่สิ้นสุด เพราะนั้นการให้อภัยกันดีที่สุดเวนจะระ ง, งับได้ถ้าหากว่าพวกเราไม่จองเวนกันถ้าหากว่าพวกเราจองเวนกันอยู่เวนจะไม่ระ ง, งับพ ร, พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนหน้าที่ได้ฟังเนทานฤชาดกหลวงพ่อยกมาในพระไตรปิฎกนะั้นถ้าวันเราไปศึกษาเราจะเห็นเลยละ่ะในพระไตรปิฎกเอ เพราะนั้นนิทานหรือว่าชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดหาที่ยุติไม่ได้ในเมื่อเราให้อภัยกัน เ, เวร น, นั้นจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวร เ, เพราะฉะนั้นพวกเราจะไปจองเวรกันทําไมสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับจิตสําหรับใจของพวกเราเขอให้พยายาม สังสมบูรณ์กุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอย่างวันนี้แหละถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งในบริษัทหรือว่าคณะกลุ่มของเราได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ในเมื่อสร้างพระเจดีย์หลวงตาหลวงพ่อเองในฐานะที่รับจากลูกหลานไปลูกงพ่อก็จะเอาเข้าเป็นระรอกระลอกงวดที่หนึ่งงวดที่สองงวดที่สามไปเรื่อย จนกว่าครบรอบถ้าว่าเงินหลวงพ่อยังเหลือยังมีนะหลวงพ่อจะสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาให้ให้เสร็จสมบูรณ์แต่ถ้าว่าไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างหลวงพ่อจะเก็บเงินที่ไหนหลวงพ่อจะเก็บไว้ในบัญชีจากนั้นหลวงพ่อจะวัดไหนห ร, หรือหลวงพ่อเองอาจจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาขึ้นมาหรือว่าวัดไหนที่สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตา หลวงพ่อก็จะไปสมทบเข้าที่นั่นแต่ว่าพรเห็ุไรอยังวัดป่าบ้านตาดถ้าว่าท่นจะสร้างแต่พระเจดีย์ที่พูดพูดกันนะพระเจดีย์มันก็นเหลืออยู่แล้วเงิน500ร้อยล้านนะแล้วจะไปสมทบไม่ได้เราก็ต้องไปหาที่อื่นเราอาจจะสร้างที่อื่นแต่ถึงยังไงก็ตามเงินก้อ น, นี้หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อจะให้เป็นเงินสร้างพระเจดีย์เท่านั้น เพราะหลวงพ่อเอาเข้าบัญชีของพระเจดีย์ไม่ได้เอาเข้าบัญชีอย่างอื่นนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้ลูกหลานคณะทศชายาิโยมที่ได้ถวายจจตุปปัจจัยสบายใจได้นะหลวงพ่อจะอดำเนินไปให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับลูกหลานทัชา ญ, ญาิโยมให้มากที่สุด แล้วก็การกล่าวสมโภตนิยาคถาในวันนี้หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภารรษีว่าปฏิรูประเทศสวาโซจะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็ขยะวยะธรรมมาสังขาราให้พวกลูกหลานทั้งหลายจะยตั้งอยู่ในความประมาทให้ประขอบคุณงามความดีบาบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกให้พวกเราศึกษา<ม>นะ ให้ศึกษาคํานี้ที่คําพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญจะทํทำยังไงจึงจะรู้ว่าตายแล้วไม่สูญในหนังเทปในเอ็มสหลวงพ่อได้บอกได้กล่าวว้แให้พวกเรานั่งภาวนานะถ้าพวกเรานั่งทําคัดสมาธิอย่างพระพุทธเจ้านั่งสมาธิในโคลนต้นโพลขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ต้องคิดถึงอาณาอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้ความรู้สึกนึกคิดอยู่ในปัจจุบันที่ปลายจมูกจากนั้นใจของเราจะรวมรวมสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับคนขับรถรถ กับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับเพราะพระเดชเจ้าท่านให้ความสําคัญโซเฟอร์รถน่มากกว่ารถท่านจะว่ามโนปุพังขางมาธรรมามโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจสรุปแล้วคือว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขึ้นไปขับรถ จะชนอาขับไปชนกําแพงก็ได้กระโดดลงคลองก็ได้ชนคนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้เพราะโซเฟอร์เป็นใหญ่ในรถ น, ะนี้ก็เหมือนกันนะท่านจึงให้ความสําคัญว่ามาโนโปุพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าถ้าเราภาวนาแล้วนะเราจะรู้ได้นะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะร่างกายของเราเนะน้นคนคนหนึ่งมีสองรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจ จิตใจกับกายมันอาศัยกันอยู่แต่ว่าใจที่มองไปเห็นเป็นเป็นพลังนะมีอำนาจสูงส่งกว่าร่างกายคือว่าโซเฟอร์รถมีอำนาจกว่ากว่ารถแต่รถมันก็เป็นเครื่องมือของโซเฟอร์นะแต่โซเฟอร์จะไปได้ก็ต้องอาศัยรถนี่ก็เหมือนกันที่ร่างกายพูดได้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้พูด ใจร่างกายเป็นคนพูดนะแต่ว่าใจเป็นคนสั่งเนี่ยมันเป็นสองอย่างนั่นแหละคณะทัตทายจะโยมเมื่อเรานั่งภาวนาทีนี้เมื่อตายไปแล้วร่างกายตายแน่นอนเอาไปเผาไฟทิ้งแน่นอนแต่ตัวนามธรรมคือจิตใจโซเฟอร์รถนะออกจากร่างนะตายไม่ตายตัวนั้นนะออกมาจากไปปฏิสุทธิใหม่ไปหาซื้อรถคันใหม่อีกแต่ว่าโซเฟอร์คันนั้น เ, ออเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างพวกเราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะว่าโซเฟอร์นั้นมีเงินออโซเฟอร์นั้นไปหาซื้อรถคันใหม่ได้เลือกคันไหนก็ได้เอาดีกว่าเก่าก็ได้แต่ถ้าว่าโซเฟอร์ไม่มีเงินออไม่มีใครที่ว่าเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจเที่ยวสัมมภเวทเมาไปเรื่อยไม่ได้สนใจไฟกุศลแปลว่าโซเฟอร์นั้นไม่มีเงินออกจากรถคันนี้ไปแล้ว อาจจะไปรถในรถคันเร็วๆก็ได้ใช่ไมเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์ไม่มีเงินอันนี้ก็โซเฟอร์ไม่มีบุญใจไม่มีบุญลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราศึกษาในจุดนี้นะวิชาพุทธศาสสนานะไม่ใช่วิชาห่วยนะเป็นวิชาที่ออกมาทางด้านจิตใจจริงๆถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ซึ้งถึงใจเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านจะไม่อยู่ในภูผาป่าไม้ ป่าดงพงภัยหรอกท่านก็ต้องการความสุขสนุกสบายเหมือนกับลูกลูกหลา น, ล น, ลนทุกคนนี่แหละเดี๋ยวท่านอยู่ในป่าดงพงไัยวันศึกษาในเรื่องนี้แหละเรื่องสาธึกศึกษาเรื่องจิตภาวนาเนี่ยท่านรู้ได้โดยตนเองตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก อ, อใจกับกายกายกับใจรู้ได้เห็นชัดเมื่อเราภาวนาเพราะใ น, ว น, นพวกเราศึกษาในจุดนี้นะในหนังสือที่แจกไปนี่พูดเกี่ยวกับเรื่องจิตภาวนาเนี่ย เรื่องกายกับใจใจกับกายเนะี่ยให้พวกเราทั้งหลายศึกษาการกล่าวสมโภชธนิยกาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาขนโลกอนุภาพบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาขอให้มาคุ้มครองคณศจา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอคอยสมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธิน